ลานี่เรามาฝึกตนสอนตนไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราสอนตัวเราสิ่งไหนเกิดกับใจสิ่งไหนเกิดกับกายสิ่งใดที่เกิดกับตาหูจมูกเลี้ยงกายใจทําให้เกิดความหลงความทุกข์ความพอใจไม่พอใจ ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราสอนตัวเราเองสอนให้หมดจดจากจิ่งทั้งหลายที่มันมีปัญหาเราต้องหัดสอนตัวเองโดยมีจิตเป็นเกณน์ชี่วัดจะได้ลูกจะได้เห็นจิงที่มันเกิดขึ้น จะได้สอนมาให้อยงิงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นให้ลงอยู่ที่ความรู้สึกตัวหรือว่าหรือว่าได้รวมถูกต้อง ว่าหลงตัวอะไรอะไรเท่าแก่กับกายกับใจกับตากับหูจะบูกได้ยินกาใจให้หลงมสู่ที่ความรู้จึกตัวก็หลงตัวได้ความหลงตัวไม่กระโจกระจายเข้าที่เข้าทางอันตนมัสอนตนให้เป็น จะเอาเรื่องอื่นมาเป็นปัญหาให้มีการกระทําเท่านั้นต้างโน่นนอกนี้ไม่ได้ทําทให้มันเป็นมันทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ในปัญหาที่มาเกิดจากการจากใจเรานี่ให้มาชู่ความรู้จึกตัวทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกชีวิต ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเรสริฐสามารถสร้างพุทธาให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้รู้เตือนเบิกบานขึ้นมาได้ทุกกรณีถ้าเราทำเป็นแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและคนอื่นเชิงเงินวัตถุอื่นต่อไป ถ้าเราไม่สอ้อมนก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นมันก็มีเรื่องที่สอนอยู่ทุกโอกาสเยอะแยะทางกายก็มีเยอะแยะที่ทำให้พาปเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทำให้เกิดโกรธโลภหลงทางใจก็มีเยอะแยะ สิ่งที่ทำให้เป็นวัตถุเกิดทางกายทางใจก็มีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสลมเราก็มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนนอนไม่หลับตทั้งที่ร่างกายเมื่อยล้าเต็มที่แล้วก็นอนไปค่อยหลับเ ร, เรียกว่าปัญหามาเกิดจากจิตใจ กายมันเจ็บปวดก็นอนไม่หลับพระปัญหาเกิดจากกายแทนที่ความพักผ่อนหลับนอนเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายรู้จักลบภยัยรู้จักหลับนอนรู้จักหนีภยัยอันนี้เราก็หนีไม่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์หนีความทุกข์ไม่เป็นโกรธก็เป็นโกรธหนีความโกรธก็ไม่เป็น บาที่เรื่องนี้แต่น้อยก็เป็นปัญหาเป็นความคิดอารมณ์เกิดกับใจไม่มีอไรไอยเลยเป็นอารมณ์ที่เกิดกับใจมันมาย่อมใจก็ทำใหเราเป็นปัญหาเป็นทุกข์เป็นโทษตา ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะอารมณ์ที่เกิดกับใจของตัวเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะเกิดกับใจกับตัวเราทําให้เราเป็นทุกข์ด้วถ้าเราหัดตัวตนสอนตนแช่ไขยงตนเด้งเตือนตนเด้งมีสตินั่นก็จะเป็นประโยชน์ ตั้งแต่นู่มน้อยใช้ชีวิตให้สำเร็จประโยชน์ไปจนเจอเท่า้ามหัดก็พาเจอเท่ามาก็หัดยากาเป็นบ้าไปก็มีเพราะมันหลงตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนไปถึงหนุม่มถึงสาวถึงพ่อคนแม่คนก็หลงไป ก็เป็นทุกจุศนั่นโกรธก็เป็นโกรธจุศนั่นก็ไปถึงลูกถึงหลานมันเป็นเลือดมันเป็นชีวิตมันเป็นกรรมมพันมันเป็นกรรมลิขิตที่เป็นเป็นไปพ่อแม่มันไปชี้โกด์ชี้โลภชี้หลงลูกมันก็ชี้โกด์ชี้โลภชี้หลงไกลๆด้วยกรรมมพันธุ์ ต้องเป็นผู้รับผมผงกำลัเรื่อยๆไปถึกลูกถึงหลานถ้าเราไม่ฝึกหัดอันตรายแล้วเรานี่ก็ฝึกหัดได้ก็รับผิดชอบผิดชอบผู้ที่ทำคุณงามความดีให้เรามาก่อนเป้นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพื่อนมิตรเราก็รับประชอบคนพวกนี้เช่นเราตรวจน้ำจัดทั้งหลายที่มีพระคุณต่วเราเช่นบิดามานดาเป็นต้นก็ต้องคิดถึงเพื่อใชชีวิตเราให้ทำความดีเราจะทำความดีทุแเนจะทำความดีเทน มือกี้ก็ลูกหลานก็ตายไปแล้วพ่อแม่ก็ตายไปแล้วพี่น้องตายไปแล้วปู่ย่าตายายตายไปแล้วย่านทําอะไรไม่ได้แล้วก็ทําดีตอบแทนมีความเข้มแขยงขึ้นมาจิตถึงลูกถึงหลานที่ตายไปแล้วก็เข้มแขยงขึ้นมาทำความดีตอบแทนเราก็ไม่เกเรไม่ชั่ว เราเป็นพ่อคนแม่คนเราเป็นพี่คนเป็นลูกของคนอยู่นี่เกิดมาก็มีพ่อมีแม่นี่ก็ต้องทำความดีความในที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์เป็นเกิดมาเกิดมันก็คือธรรมะวิธีปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่มีล่งมีรอย มีไออุ่นก็ว่าได้เจณนการตัดสรลูกของพระเจ้าเดือนเพ็ญเดือนหไปมา เ, เป็นเดือนเจดปีนี้ยังมีไออุ่นอยู่ก็น้อ ง, องหมาใส่เราทำตามพวกมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำอะไรเกิดขึ้นกับป้ากับ กายที่มันพอใจไม่พอใจถองความพอใจและความไม่พอใจออกมามีสติหัดไปอย่างนี้มันไม่ยากสอนให้เกิดความดีในความไม่ดีไม่ยากทำได้ทุกชีวิตง่ายถ้าเราทำถูกก็ง่ายถ้าทำไม่ถูกก็ายาก ก็ทำรรมดาการหัดใหม่ๆก็ต้องอย่าไม่เข้าที่เข้าทางก็ยอดปากบางที่ก็ปวดแขนปวดขอปวดหัวปวดไหอยมอ้วนเฝ้าดอนเพราะมันไม่เคยสอนไม่เคยให้อยู่เป็นที่เป็นทางมึงเช่ยก็จอยเมื่อมาจับให้มอยู่เป็นที่มันก็เคยไปท่าไหนก็ปล่อยทางนั้นนั่นแหละงานของลอง ใดก็ไปทั้งหนที่มันเคยคิดอะไรก็ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาอันความคิดเเวลานี่เรามามีสติปึกกรรมถามนก็ไม่รู้เรื่องก็บก็คิดไปก็ได้สอนเหมือนศาสได้รู้จักตัวศาง่ายๆ ย, ยิ้มยิ้มอย่าถือว่ามันยากเพราะความคิด ง่วงเหงาหอนอนก็รู้จักตัวใยดต่ไดเอาควา ม, มง่วงเหงาหอนอนมายุ่งยากทำง่ายง่ายวิธีทำก็มีเยอะแยะหาหมาใช้ให้เกิดความตื่นตัวปรับเนื้อปรับตัวดีๆเวลาทำอะไรตั้งท่าตั้งทางดีด ตั้งต้นใหม่ถ้าหนัดงานเราต้องตั้งต้นใหม่เขียนหนังสือไม่งานก็ตั้งต้นใหม่เขียนสีก็ลบใหม่เขียนใหม่ให้มันใหม่อยู่เรื่อยไอ้บทนั่งก็ใหม่อยู่เรื่อยไอ้บทยืนก็ใหม่อยู่เรื่อยไอ้บทเดินก็ใหม่อยู่เรื่อยจะอยู่ในรีบทเดี่ยวดานานมันจะพลาไม่ชัดเจนอย่าไปมีอะไรคุมอยากรู้อยากเห็นให้ความอยากรู้พอทาให้ความ ขีเกียจพักหยุดไม่ให้มีอะไรมาสั่งให้เราทำเราไม่ศรัทธาไม่ศรัทธามีสติมีความเพียรตั้งใจของเราเองเราจะทำอย่างนี้อย่าเอาคนอื่นมาเป็นเรื่องอะไรอายถ้าอายก็อายตัวเองตัวเราเอง คนอื่นที่คนอื่นพาเล่นก็เล่นคนอื่นพานอนก็นอนคนอื่นพาทำก็ทำไม่ใช่แบบนั้นให้ฝึกตนสอนตนนกเองทั่วการเปรียบเทียบเลยก็ได้แข่งขันก็ได้เพื่อนเราประมาทเราไม่ประมาท เพืหอนประมาทเราไม่ประมาทเพื่อนนอนอยู่เราตื่นอยู่ย่อมละกูงโง่ไปไกลเหมือนมามีผีเท่าดีละมาที่ไม่มีกำลังฉันนั่นเห็นเพื่อนหลงในของพูดเห็นเพื่อนหลงในกิริยาท่าทางเราจะไม่หลงเหมือนเพื่อนเอามาพกตนฉันตนเสมอเห็นเพื่อนดี มีสติสงบสุขเยี่ยมเพื่อจะมีหลักม่นเชนแล้วก็หัดทวนสอนตนตัวตัวเขาดูตัวเรามาฝึกตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ไปลู่ไปขี้เพื่อนดีแล้วก็ไม่ลู่ไปขี้เพื่อนร้ายแล้วก็ไปลู่ไปขี้น่าจะเชียงไหนที่เกิดกับเราตัวเรา เรื่องผิดแล้วก็เฉยได้เรื่องถูกก็เฉยเช่นเห็นความชิดเฉยเห็นความทุกข์ก็เฉยอยู่ในความทุกข์แม้แต่มันคิดเป็นทุกข์ก็ยังคิดอยู่คิดเป็นพาให้หลงก็ยังคิดอยู่คิดพาสนุกสนานก็ยังคิดอยู่เอาความคิดพาให้เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นล่ำไป หรือว่าคนประมาทถึงว่าถอนควงพอใจเลยความไม่พอใจออกม า, าความสุขความทุกข์ที่มันมีในกายในใจนั้นมันเป็นลสของโลกลสของโลกมันเกิดเจ็บเจ็บตายแตเอามาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นชีวิตไม่ได้ห้อยเขียนไว้กับความคิด เอาความสุขค้อยฉันไว้กับความคิดเอาความทุกข์ห้อยฉันไว้กับความคิดเหมือนพึ่งล่มเมาในกนเมฆใ้อนเมฆ ม, มันผ่านไปแล้วก็แตกออกละอ่นเหมือนเดลอุประความคิดทุกความคิดจึงมาฝึกตอนสอนตอน้นให้มีหลักมี านมีบ้านของชีวิตได้ถิ่นได้ฐานในบ้านได้อยู่ได้อาศัยมีธรรมเหมือนมีล่มในมือฝนตกก็ไม่เพียงมีธรมเหมือนนอนในมุ้งโยงวินอยู่ข้างนอกก็กัดเราไปเลยมีธำมันหลังคาบ้านดีฝนต ก, กลงมาเราก็นอนเฉย นอ น, นเต้นมันก็มาเปี่ยงมีร่มเงาอาศัยมีธรรมมันมันก็ยิ่งกว่านั้นอีกไม่มีวันที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษเมือ่อการเกิดเจ็บเจ็บตายนี่เป็นสมบัติของพวกเราก็มาตวนสอนตวนหัดให้มันเป็นผิดแล้วต้อใหม่ พลาดแล้วรู้เนี่ยมันจะคมตรงนี้แล้าผิดแล้วผิดทุกโรคทุกน่ยไม่คมสักตีเหมือนกับผลมีดเคยเปรียบเทียบเราไปเรากลับมาไปแล้วกลับม า, ลลบมาหลงมันไปกลับมาลู่เนี่ยทำให้คมตรงนั้นเหมือนมีด กลับปกลับมาจุดบนก็อหินทําให้มีดคมขวมลู่เชกทวมจะคมตรงที่มันกลับมาอะไรที่มันไม่ใช่ขวมลู่กลับมาลู่ขวบลู่ตัวนี้จะกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นการกําจัดชิเลตในตัวถ้าหลงก็หลงปอยให้กลับมาลู่มันก็มืดตื้อตัดรอยก็ไม่ขาด เราจึงหัดเราที่มันหลงรู้สิทุกคมีทั้งความเพียรมีทั้งศรัทธามีทั้งสมาธิมีทั้งศีลมีทั้งปัญญาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดเราศีนกําจัดกิเลสสมาที่กําจัดกิเลสปัญญาจำกาจัดกิเลสให้ใส่ใจตรงนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วก็มีงานประจํา ให้เราได้ทำงานงานเขาสร้างความรู้ทุกนีมันเกิดกับการกระเจเหล่านี้ไม่ใช่ผ้าผ้าเลื่อนเลื่อนลอยๆยจับลงไปสัมผัสลงไปปฏิบัตริท ร, รมันการสัมผัสไม่ใช่ความคิดเหมือ น, นมือเราพิมพ์ดีดมือวันสัมผัส มือทำงานมือมันสัมผัสมันก็ชำานาญข้องตัวขึ้นไปเรื่อยๆบาทีมันใช้ต้องใช่าตาเล่นอาจารย์ไปสอนพิมพ์เด็ดไปดูหนังสือตาไม่ดูพิมพ์เด็ดเลยดูหนังสือบนมือกดมาเวลาผิดก็รู้ออกมาแจ้ ก็ชำนาญการงานขึ้นมามล้วกว่าเลยคนที่ชำนาญในกรรมฐานเนี่ยมันชำนาญไปในการในใจมีแต่ความรู้ง่ายอะไรเกิดขึ้นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้เป็นเรื่องสะดวกแต่อะไรเกิดขึ้นมาสุกทุกทุกๆถือว่าไม่สะดวกงานไม่ถูกงานไม่สําเร็จใช่ไม่ได้ เอาเชียงไหนเกิดกับกวากับใจที่เป็นควมรู้จักตัวเน่ยผ่านได้ตลอดทุกกรณีถ้าเชียงไหนเกิดกวากับใจทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นไม่ผ่านเลยงานไม่ผ่านปฏิปทาเป็นปทางผ่านจุดหมายปลายทางความหลุดพ้นเป็นจุดหมายปลายทาง มันพ้นพอหลัวมันพ้นก็มีสิที่ปีที่ถูกมันพ้นเพื่อมีมุดไม่ใช่ล่าจักราเสียงเสือนเยอนยอว่าช่หมูมีโปวกป้องบริวารไม่ใช่เจ้าละทิแต่ว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นจุดหมายคือมันพ้นอย่างนี้ให้มันจบซะ เรื่องาจก็จกสะเรื่องใย ก, ก็จบซะมันจบเป็นมันแล้วเป็นทำงานเรื่องนี้มันแล้วเป็นแล้วแบบมาตรฐานเอาทำงานะไอื่มันแล้วไม่เป็ียนหรอกทำนานก็ทำอยู่ทุกปีทำไรก็ทาอยู่ทุกปีทำงานก็ทำอยู่ทุกปีเป็นอาชีพก็ทำอยู่ชนนัน แต่ว่าทำงานทางกาทางใจที่เป็นถึงสวยงุดหลุดพน้นนี่จบเป็นจบเป็นไม่มีอะไรทําอกีกเหมือนพู้เจ้าว่าชาติสิ้นแล้วผมว่าจัน จ, จบแล้วคิดตื่นเึน่งต่าไม่มีอีกแล้วจบแล้วเรียกว่ามีค่าถึงที่สุดถึงชีวิตเหนือก้องเกิดจะจบตายได้ นี่คือหน้าที่ของพวกเรา ต, ตอนนี้เราก็มีชีวิตอยู่นี่มีสิังที่เคยทำได้อยู่นี่สัมผัสลงไปมีสติสัมผัสกับกายลงไปมีสติสัมผัสกับทุกอย่างที่มันเกิดกับกายลงไปมีสติสัมผัสกับความคิดที่มันคิดขึ้นมามีสติสัมผัสกับอาการที่เกิด จากความคิดมากมายแม้กระทั่งกิเลสพันห้าตันหารยก็สัมผัสให้มีสติทุกกรณีได้นี่เราสัมผัส ด, ดูการสัมผัสนี้แล้วก็บอกความเท็จความจริงจิงไหนเป็นธรมรมจิิงไหนไม่เป็นธรรมล้วก็สามารถเลือกได้สัมผัส ด, ดูเอา ในข่าวเดียวกันเช่นมันหลงสัพพความรู้สึกตัวก็คือความไม่หลงแต่สัมผัสสองลักษณะในข่าวเดียวกันจะเรามันทุกข์สัมผัสกับความไม่ทุกข์คือรู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์สัมผัสในขณะข่าวเดียวกันอย่างนี้อะไรทุกอย่างทุกอย่างไปเป็นคู่อย่างนี้มันก็ง่ายมัน่าจะจน มันจริงจริ ง, รงก็สัมผัสความเจ็บความเจบความตายมันก็มีความไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายไม่มีใครไปตายพวมตายไม่แพใครพวกเจ็บผู้ความเก็บไม่มใครทุกพวกมทุกมันจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามันสัมผัส ด, ด้วยตนเองจริงๆริ ง, รงหรือว่าลพดพัทธธรรมย่อมจะลดท่องปวงผู้ที่สัมผัสก็ย่อมเลือกได้ เป็นสมบัติของชีวิตไปเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติไปเลยไม่เช่นนะโลกสมบัติเพราะไม่เคยสัมผัสทุกข์ก็ทุกข์กอยู่นั่นไม่เคยสัมผัสทุกข์ามไม่ทุกข์ในข่าวเดียวกันโกรธก็โกรธอยู่นั่นไม่เคยสัมผัสกับความไม่โกรธในข่าวเดียวกัน ก็จนอยู่ชน น, นั้นตลอดพบตลอดชาติหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายเราจะเป็นอย่างนี้มันจะคุ้มค่าไรชีวิตของเรานเราเกิดมาเราตินานี่ทันได้ทันคําสอนมีวิธีปฏิบัติยังมีอยู่ต้งทําหน้าอยู่ก้อยออกมาเป็นวัตถุแห่งผิดความรู้สึกตัวใจเอามาผิดความรู้สึกตัวขึ้นมายังมีกามีใจอยู่ ยังมีสิ่งที่ผิดกับกายกับใจอยู่เช่นนี้อย่าปล่อยกันตัวอย่างทิ้งทําไมเแล้วมันเพลิก็กลับมาลุกจากตัวเนี่ยมันทำหน้าอยู่ทุกชีวิตเนี่ยวิธีทําก็มีแล้วมีลอยพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วพระเจ้าเดินไปนี้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่คิดทางไมใช่สุ่มเสาะหาวามี เศ้นทางไม่มีแผนที่ไปแบบนี้จริงๆมันน่าจะจนไม่ใช่เปงงงสาวสาวสุมสี่สุมห้าหาหาคำตอบจากความคิดเหตุผลต่างๆท่ำไปลงไปก่รราทาไมจงทำหน่านั่นทำไมจึงทาหน่านี้ถ้าลู่ธรรมารจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไร มันก็เลืนช้าไหมต้องไปคิดแบบนั้นทําลงอยเดินลงไปเถอะไปทางนี้ก็เดินไปมันถึงทุกขก้าวก้าวแต่ละก้าวก็ไปเรื่อยๆลู่แต่ละลู่ก็ไปเรื่อยๆถ้ามันหลงกับลู่เลยผ่านผ่านหลงไปแล้วเป็นถึงความลู่แล้วมันทุกข์กับลู่ผ่านทุกข์ไปแล้วควงหลงควาทุกห์วงกันมาอยู่ ว language, ค, ความรกขวงชังขวงกันมาอยู่กัดขังมาอยู tak, ่ยิ่งได้โอกาสยิ่งได้เอาไว้หลังก็ยิ่งดีใหญเหมือนเดินทางเอาบ้านนั่นไว้หลังเอาเมืองนี่ไว้หลังเห็นแท้ๆผ่านหลงแท้ๆผ่านทุกแท้ๆแล้วก็มีผลงานอย่างนี้ตรงไหนเคยหลงไม่หลงแล้วแบเนี้ตรงไหนเคยทุกไม่ทุกแล้วแบเนี้ แม่สิ่งไหนที่เกิดทั้งตาทั้งหูทั้งกายทั้งใจก็ก็ผ่านได้ทุกเรื่องอันนี้นจากนี้ไม่ไดออไ้อะไรมาประเมินอะไรมาประเมินตนเองไม่มีทำมาแล้วสองวันสามวันมาลู่อะไรเลยเอาอไรเจ้าอะไรเละได้เปลี่ยนควอมลงเป็นลู่นานๆนะได้ทำแบบนั้นแล้ว ได้เปลี่ยนหลงเป็นรูได้เปลี่ยนทุกข์เป็นรูดมาแล้วมันเกิดเมื่อไหร่ก็รูปจะเปลี่ยนเป็นทําเป็นแล้วก็ไปกับเราแล้วไอ้ฮะแต่นี่ก็เป็นอย่างนี้ในเขาที่มันหลงรู้ในเขาที่มันทุกข์ก็รู้ในเขาที่มันโกรธก็รู้ในเขาที่มันตีใจเฉยใจก็รูดในเขาที่มันสุขมันทุกข์ก็รูดขึ้นมาแบนั้นมันก็ใช่ตลอดพบตลอดชาติควงมรูดที่มันมีอะ อะไรเกิดขล้นกับใจของเราเนี่ยมันก็มีหลักสูตรไปแบบนี้แม้วันนี้ไม่รู้อะไรถ้ามันเป็นอย่างนี้รู้ไปอย่างนี้ก็ถึงไม่จนองคก็นหนึงก็จะถึงที่หมายปลายทางแล้กกวคนไ่เคยทำอะไรมืดเปลยด้านไหลหลงก็หลงทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยมครับ อาจารย์จงเงเขียนว่าในวิธีการมามืดก็ไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างไปสว่างให้มามืดไปสว่าง ความเจริญความไม่เจริญความเจ็บก็คือความไม่เจ็บพร้อมตายคงไม่ตายไม่แต่ตายพร้อมตายมันมืดไม่ได้เจ็บพร้อมเจ็บมันมืดมก็มีอย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้ตรงกันข้ามอย่างนี้นะไม่น้าจะจนนะ้องพวกเราทุกชีวิต น, นั้นมีทางพบทางอย่างนี้แล้ว อะไรไม่เกิดขึ้นเลไเมตตากุลาวุต า, า, ตาเปกขาช่วยน่นช่วยนี่ทํำนู่นทำนี่ป่าไม่มีตนที่ทําแต่ไม่มีตนทําความชั่วมีแต่ตนทําความดีห่วงชั่วเลาะตะพึดตะเพือไปเฟื่องดีก็ทําตะพิดตะเ พ, พือไปเมื่อเลาะความชั่วมันเป็นความดีไปเองทำตะพิดตะเพือปไปเมื่อหยุดไม่ย่อน สิ่งที่ทำดีก็มีแล้วกายว า, าจาใจสิเงทียมชั่วก็คือกายว า, าจาใจเราก็ใช่คนล้ยมุมแล้วบ้ามีกายก็พูดกายวาจีสุจริตมีใจก็เป็นมโนสุจริต มีกายก็กายสุจริตกายดีวาจาดีใจดีเป็นเครื่องมือให้เกิดความดีต่อสัพพสิงทั้งหลายต่อพ่อแม่พี่น้องบุตรปัญญาสามีเพื่อนมนุษย์ต่นดินป่าไม้แม่น้ำอากาศเหาะคนดียิ่งพวกเรานี่ขณะนี้ก็มีนักศึกษาพัะจุาลันแพท ก็จรงจะไปทําความดีแก็มีคุณธรรเกิดความดีขึ้นมาเป็นงานบุญเกิดจากชืวิตของคนอยางหลวงตาเนี่ยกเป็นงานบุญได้ชีิตมานี่ก็เป็นคนดีมีพยาบาลมีหมอช่วยเหลือก็มีความรู้มีความรู้แล้วมีน้าําจาใส่ใจ หมอลงพยาบาลพยาบาลอยู่ลงพยาบาลไม่เคยเห็นเดินช้าช้ามิจฉาวิ่งชักชักใส่ใจเดินตามหมอไปไม่ทันหมอแล้วหมอเดินว่ารีบไปช่วยเหลือคนป่วยเราคนป่วยที่ดูแลไวใครไปทําไม่รห็นอย่างคุณหมอกำพลมาอยู่นี่คนป่วยของหมอแต่และคน เวลาคนไปทำผิดพลาดใครมาทำคุดเปิดผมเบนแบบนี้เราเจ้ค่ะกับลูกแม่ละ่ะหลองต่อนี่เคยไปปรึกษาเรื่องหมอถางเลือกกับหมอแผนปัจจุบันก็ขี้ขาดหวาดหยาดก็ถูกต้อง ความลีที่เกิดจากหัวใจเกิดจากกายของชีวิตของคนช่วยให้เมื่อมีความเจ็บก็พ้นจากความเจ็บได้เมื่อมีความเจ็บพ้นจากความเจ็บได้มีความตายพ้นจากความตายได้มีความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายควมไม่สบายใจก็ร่วงพ้นจากความโศกความร่ำไรร่ำพันได้แล้วเราก็เป็นมิตรดีฉายดีเพื่อนดี ห้าเนิ้อเชืิกเนื้อจะไปทำความดีก่ายใจเรานี่จะไปทำความดีนี่มันใจอย่างนี้เย่แค่งานของเราตอบุณตอบคุณบิดามารดาพ่อแม่ครัวาจามประเทศชาติเพื่อมนุษย์มีความสุขแบบไม่เป็นบาปเป็นกรรมมีอะไรก็บริสุทธิ์ใจร้อยเเน มือนกับผู้หวังก่อนถ้าเขามาทําให้เราเดือดร้อนเราไม่เสียใจเราไม่ใช่ความผิดของเราถ้าตัวเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนีน่าเสียใจมากๆเจ็บปวดบ้างไม่ทําไม่ลง <c oughs> ถ้าคนอื่นทําให้เราเป็นทุกข์เป็นทุกความเดือดร้อนไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่เก็บบอกเจ็บใจอะไรก็ เ, เรา ว่าเออมันก็มีอย่างนี้คนเรานี่มีคนชัว่วมีคนดีเขารู้จักหลบป็นปีรู้ดีกเป็นหางไปเอาแต่ถ้าเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยโอ้ยมันเจ็บใจเคยทำให้คนอื่นดือดร้อนตั้งแต่เราไม่รูปปร้ภาษีภาษาตี้องตกคันหลังโกด ยังเสียใจเจ็บปวดเท่าตัวนี่โผทำดีตอบแทนที่ทำช่วยลงไปได้เอาละเป็นบทขี้ให้เราได้เกิดอยู่เสมอมันเป็นทุกข์จริงๆทำไมคนอื่นเดิดรอดเนีเมื่อมาลู่ทำมาเข้าแล้โอ้เสียใจพอ้ที่ช่วยไม่ได้ก็ไม่ แต่ตายไปแล้วก็เสียใจมากๆาไม่ทำดีกับค น, คนผู้มีพวกคุณชั้นพ่อก็ตายไปตั้งแต่เราเด็กๆไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันทำไม่ลงไปทำชั่วถ้าเป็นคนดืดแล้วคนไม่ทำไม่ได้ประกศาศออกมาเลยทีเดียววา่า <c oughs> แต่ตี่นี่เราไป จะไม่เอากายเอาใจมาให้เป็นทุกข์เป็นทุโทษเจ้าตัวเองและคนอื่นเด็ดขาดเด็ดขาดจริงๆทำมาเป็นของเด็ดขาดไม่เอากายเอาใจมาทําห้ตัวเองเป็นทุกข์และคนอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษเด็ดขาดจึงไหนที่เป็นความชั่วไม่ทําเด็ดขาดไม่สุบุตรีเด็ดขาดไม่กินแล้าเด็ดขาดไม่เล่นการพนันเด็ดขาด เด็ขาดในความไม่ดีทั้งหลายมันก็โดดตั้งนนก็โดด ถ, ถึงสุดยอดตั้งนั้นนี่คือธรรมะมันเด็ดขาดตั้งนี้ผู้ที่ถึงเป็นคนดีจริงๆต้องเด็ดขาดตั้งนี้เราจะเล่ามากอกปากก็กากมาเห็นเด็ดขาดเด็ดขาดมาแล้วเอ่ปเป็นเพื่อนที่เล่าเราก็เด็ดขาดมาเรื่องนี้มาเด็ดขาดการบัญหทุกเพศเด็ดขาด แต่ว่าใจไม่รู้จักกวจะบังพบกหลวงพ่อเทียนก็อายุเกือบสามสิบปีแล้วก็ทําบาปทํากรรมมามากนี่แหละทําให้เราเลยเป็นโจทย์เราอยเสมอก็ดุดุ้งอยู่เสมอสุดุ้งอยู่เสมอว่าเราเลยก็าล่วงอยู่เสมอนิดหน่อยไมได้ก็ว่าโทษกข์็ขวา่าโทษนี่นิดหน่อยก็ได้ เลื่อนคือมันลงไปเลยลื้อถอนลงไปเลยทีเดียวสนุกลือ้อขวมชั่วที่มันมีในเราเนสนุกดีมันสมน้อมหน้ามันนะเพราะดาพวกเราจะต้องมั่นใจใเถอะนะปฏิบัติทรมันศักดิ์สนะิทธินะาำได้จริงๆนะเอนะสมควรใจเวล า, วานะ